ธรรมชาดกแผ่นที่9าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29กุมภาพันธ์ส5มีชื่อเรื่องว่าข้าแกะบูชายันวันไหนหลวงพ่อรวยหลวงพ่อก็จะให้มาก วันไหนหลวงพ่อจนหลวงพ่อจะให้น้อยวันนี้รวยเอาให้สามถุงวันนี้พอเลิ่งอยู่หัวสะพานหลวงพอ่อมิจตโตเจจอยปะเล่ยงเลี่งเล่ ง, ล ง, ลงมันอ้วนว่มนาบานเนี่ย <laughs> จะมอบไปเนะี่ยให้อาจารย์เสริมไปเราจะไปให้กับมือนะอาจารย์เสริมนะ่ะเดี๋ยวมันเป็นพอหลวงพ่อนะี่ยให้ผมเอาอาหารใหม่เลี่งเล่ ง, ลงได้กัดผมไม่เจียวอีก แล้วไปให้ไรโยนโยนนะถือตะพดพ่อมันเลยไปถือตะพดพ่อหนก็โยนให้โยนให้มันตัวใดจะมาก่ายกับยกตะพดถ้างั้นไม่ได้นะเดี๋ยวมาแย่งกับมือนะหลวงพ่อเห็นแล้วกันเห็นนั้นกับตัวพมอพ่อมันสงสารมันเหมือนกันนะแต่ทางในวัดหลวงพ่อก็บอกพลาอยู่บอกว่าเอาอาหารทางในวัดให้แต่ดูดูแล้วก็กลัวอีกเพราะอาหารไม่มีอาหารกินนมันจะมาลื้อกุฏิไปานนี่ยเรื่องของเรื่องอะน่ะ เ, เห็นกุฏิพระจะลื้อกุฏิพระเท่นี่มันเคยมีมาแล้วแต่ก่อนหน้านี้นี่หลวงพ่อก็เลยเข็ดเลยเท่นี่เอาอาหารให้ลิงอยู่ทางในวัดน่ะแล้วก็มีทางเดียวนะั่ะเอาไว้ทางหน้าวัดแต่เอาไว้ทางหน้าวัดก็เถอะนะถ้าตัวไหนที่มันดื้อน่่ที่เป็นหัวหน้ามันจะกัดคนแล้วมันจะมาแย่งของกับคนเดี๋ยวหลวงพ่อจะเอาตำรวจพระจัดการมันอีกออ เอาอยัางไงตำรวจพราดหลวงพากใส่กลงแนะดักกลงเลยท่านเะลกลงลิงนะพอดักเสร็จแล้วนุ่นเอาไปเอาไปโพดเอาไปโผลคนนั้นไปขาวานเะลเอาไปโพดวัดไอ้หลบเล่านละนะบ้านเพิ่มภูก้อนนาแค่ น, นไปที่โพดลิงค น, นไปแต่ผู้กอนในย่อมลหละผู้กอนบอกว่า พอแล้วลุงพอ่อพ่อแล้วพ่อแล้วอยเอาไหมาอีกแล้วเส้นลายแล้วเส้นนี่ยผู้กองนี่ย่นนยยอมแพ้แต่ว่าหน้าแค่เนี่ยยังพระท่านวาจังไหนอยู่แต่บั่นเพิ่มเนี่นบุ่มมาบุ่มมับอยู่ต่อไปเพราะว่ามันทีมันกว้างที่กันบั่นเพิ่มแลยกันุ่นปล่อยแล้วมันวิ่งเข้าไปในหุบเขาเนี่ะที่มันกว้างตั้งสองสามพันไร่อยู่แถวแถ ว, แถวนั้นอะ่ะแต่ลุงพ่อก็บอกว่าเนี่ยเด้ บอให้พานี si so e hey, ่ไปปล่อยไปแล้วไปปล่อยเมื่ึกี้หนีจากพระไก่เด้อว่ะขั้นมึ่อกี้หนีจากพระไก่เราบ่ได้เด้ไอ้พวกผ่านเขาเนี่ยเดี๋ยวจะเอามึ่อไปกำน้องไม่สมบ่ได้นะเมึ่อกี้นะแก่งริ่งจงน้องไม่สมมือนกับว่ามึ่อกระว่งให้ดีนะเมึ่อกี้จะไปออกไก่จากคู่บาเด้อว่ะว่าไปโผล่ก็ไปโผดมันจุดนี้มันหลายโผด่เมื่อกี้ มันดื้อตั้งหากก็มันหลายเอาไปโยงของอื่นแนะ่เฉลี่ยเฉลียกันอยู่แต่มันก็ขยายพันธุ์เร็วจริงๆนะวัดหลวงพ่อนีะถ้านับออกไปปล่อยแล้วมันเกือบจะเกือบจะถึงพันตัวละมั้งที่เอาไปปล่อยเนี่นะแต่ขนาดนั้นก็ยังย้เย้อยู่ในวัดเนี่ยวันนียากมากนะลิงขยายพันธุ์เร็วมากๆเพราะนั้นพวกเข้าคือกันเนะี่ยมาวัดหลวงพ่อย รักษาศีลให้พ่อวะหน้าตั้งใจปฏิบัติเนียเพื่อเพ่อพระห้าตายไว้ลม้ากองแก้งมาไปเลิ้งหลวงพ่อในแถ่ดเดยขยายพันธุ์ไห้แถวอ่ะอะไรอย่มาไปนลิ้งหลวงพ่อเลยเนี่ยบางตัวก็จอยจอยห่างเทอยนหลวงพ่อขึ้นได้หลวงพ่อก็เลี้ยงมันห่างเทืยนหลวงพ่อลืมไปไปทางอื่นล้อเลืมเลืมรล่งเลี้ยงข้าพอมอะไรนต่หลวงพ่อ จะไปยามจะบ่อยลืมล่ะเตอนเชา่ามากเพยาะไปย่ามใส่ถุงให้ถูกอาจารย์เลิมพวกดาบเอกพวกถกแกล้านมั่นไปโย่นโน่นให้ก่อนจะออกจากวัดไปแต่อย่าไปหาหยืนกับมือนะผนะู้ใดเนาะแต่ไปยื่นกับมือนะผู้ใดเด็กกับมันกัดขมาานะผู้ใดเด็กยิงมีเด็กหน่อยไปนั่งถ้าเป็นเด็กไปด้วยนะอลูกหลานไปด้วยข้างๆแล้วจะไปหาย ให้เด็กอยู่ในรถอย่าไปให้มันอยู่ข้างนอกเข้าเสียวไหวใจใดจังใดลิ่งอะ่ะมันโดดมามันมกัดเด็กนะ่กัดข้อกัดหมูกัดตาเขาเสียมัดท่านี่งพราะนั่นยาให้เด็กไปใกล้ให้อยู่ไกล้ๆไหวหลวงพ่อบอกว่าเลี้ยงมันลิ่งมั น, ม, นมันบดิ้เขาลงเลี้ยนเนีขนาดคนเข้าเขาลงเลี้ยนก็ะดกูกเดียมมันก็ยังดื้อยังดานมหาลิ่ ง, นง เ, นเนี่ยมันบดิ้เขาลงเลี้ยนเแล้วว่างเนี่ แมนราชการโผล่เข้าก็ได้ให้ลูกหลานเขาอยู่ห่างๆไปเนอะพวกสัตว์ปลาอันตรายแต่ว่าตัวใดดืด้่หลวงพ่อก็ยจะสังเกตดิดอกการว่าตัวใดดืด้อได้ช่วงเนี่ยมันเล่งดื้อได้ไหลวงพ่อเลี่งดื้อช่วงเนี่ยหลวงพ่อก็จะให้เขาจับจับทรงออกนอกไปว่ามันจับขาได้จับไปโผล่นไป ม, มันดือ้อทำไมอยู่ห่างๆมูมันยายอยู่ไก่คนมันดื้อมึงม่ง ยับไปปล่อยคนนะ่ะรูปเล่าคนนะ่ะลุปเล่ามันเป็นทีเป็นมื่นไรคนนะ่ะเอ่อเป็นปลาสงวนติดบ้านเพิ่มหน้าแค่ว่างแค่หลายหมู่บ้านติดจังหวัดเล่ยคนนะ่ะเนื้อที่มื่นกุนไลนะ่เนียปลายังสมบูรณ์อยู่ในจังหวัดอุดรอของเฮ้าเนี่ยกะเนีปลานี่ยระสมบูรณ์ที่สุดเอปลาสงวนคนลไปเดี๋ยวนี่คนละไปแต่ก็ต่อไปกระโบอนแหน่ขึ้นกันนะ เดี๋ยวนี้เอาลงไปแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีหมอดมีปวกก็ใส่ตลอดเอาลงไปกองทับหมอดมันบอกเอาเทอะหลายได้บ่านี่ยเอาเทอละแผ่นสองแผ่นลงไปเขามาพราได้ขายวันนี้แผ่นหนึ่งก็หลายเงินเลยนี่แหละมิถวัดหลวงพ่อเท่านั้นนะี่คำแพงรอมรอบอย่างไรก็เขามาบริอะไรหลวงพ่อปลูกไม่สักวันเป็นหลายหมื่นตนนะ้นเลยจะว่าเป็นแสน บกว่มีพอได้นับพุ่นไปกันว่าแสนก็ว่าเวอร์ไปหลวงพ่อว่าจะว่าเป็นแสนพุ่นแล้วเนเต็มวัดแล้วพันกุไรเนี่ยมองได้ว่าได้ปลูกมัดขั้นว่าเห็นไม่ซักพุ่นออกไปคำว่าไม่ซักแล้วแปลว่าเป็นไม่ปลูกท่านที่เลยพอในทิ้นเฮาเนาะบ่มีไม่ซักในวัดกองเฮาเน้อทิ้นเฮาเนีะบ่มีไม่ซักมีแต่ไม้เนื้อื่นปารูมะข่าตะเกียร์ทองแต่ไม่ซักในแมนเลยล่ะเป็นไม่ปลูกคนน่ะ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 พะนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ถึงขนาดนั้นยืดยืดจุนจุนเผลอๆยังทะเลถลอีกต่างหากยืดจุนเลยเพราะเวลายืดจุนคํานี้ก็คือเออญาติโยมผู้อยู่ใกล้จะทํายังไงเนาะเพราะเขาจะมาทําบุญเขาก็มาไม่ได้เพราะญาติพี่น้องเขาเยอะ เ, อยเขาขอไปที่บ้านเขาเถอะหลวงพ่อคือเอออ้าวยืดจุนอ่ะแต่บางครั้งเออ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 เป็นคณะสงฆ์ใหญ่อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลสาหรับหมู่ญาติแต่สำหรับเราเนี่ยชอบง่ายๆมันก็ไม่ได้แต่ที่ท้งนี้ทางนั้นเรามามีพระมากแต่ทยทธรรมของเราน้อยแล้วก็ไม่ต้องหนักใจมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเรามีเจตนาทำบุญเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราไม่ต้องคิดหนักโอ้ถ้าไปเลี้ยงพระอยู่ในวัดเนี่ยเราจะต้องทาอาหารเพิ่มหรือจองต้อง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 การทำบุญทำทานเรื่อการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลักของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อจะบอกให้คณะจัดทายญาติโยมเพื่อเป็นแนวความคิดนะเพื่อการศึกษาในคข้ามพุทธกาลเนะี่ยมีไหมมีพระสงฆ์ไปรับนิมนต์อย่างเนี้ยอย่างพระสงฆ์ไปรับนิมนต์รับมัตตกะพัดคือทำพัดเรื่องกาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย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 จะได้บุญได้กุศลหมาหนอ้อพระเจ้าขา่านพระพุทธองค์ว่าเปล่าประโยชน์ภิกษุทั้งหลายเปล่าประโยชน์ไม่ได้บุญทำให้หนอ้อพระเจ้าขา่าเคยมีมาแล้วในอดีตการพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าวา่าสมัยไหนราาพระเจ้าขา่าพระพุองค์บอกว่าสมัยหนึ่งมีทิศปามโมกอาจารย์อยู่ในกรุงพาราณสีมีลูกน้อง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 ไปตัดคอแกะเท่านั้นมันระลึกชาติได้ในชาติที่แล้วชาติคก่อนมันเลยหัวเราะหัวเราะขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้ด้วยทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้แต่นนี้นพวกลูกน้องของทิศสปพพโมกอาจารย์นะที่จะฆ่าแกะตัว น, นั้นนะ่ะก็เลยว่าแกะทําไมเธอจึงร้องไห้ถึงจุงหัวเราะด้วย แก่ตัวนั้นพูดเป็นภาษาคนขึ้นว่าให้นําข้าไปหาอาจารย์ของทูเจ้าไปหาที่ศ ป, ปะโมกอาจารย์ถ้าไปตามไปหาที่ศ ป, ปะโมกอาจารย์แล้วเราจะพูดให้ฟังพวกนั้นก็เลยเห็นแปลก <c oughs> คืข้าแก่มาต่อไรไม่เคยมันพูดเป็นภาษาคนแล้วก็ไม่ทํากักกริยาอย่างนี้ก็เลยนําแกะตัวนั้นไปหาอาจารย์ที่ศ ป, ปะโมกที่ศ ป, ปะโมกอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไร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 ท่านจะต้องรับบาปกรรมที่ท่านได้กระทาไว้คือการฆ่าสัตว์ทิดสะประโมกได้ยินอย่างนั้นแล้วก็โอ้เราไม่ฆ่าเจ้าหรอกยุทธเราจะไม่ฆ่าเจ้าเราจะเป็นผู้คุ้มครองเจ้าอีกต่างหากแกะตัวนั้นก็เลยบอกขึ้นมาว่าถึงท่านจะคุ้มครองข้าไปเจ้าก็เถอะแต่ข้าไปเจ้าเนี่ยได้ทําบาปกรรมไว้แล้วในอดีตเป็นชาติที่ห้าร้อยร้วชาตินี้ถ้าข้าไปเจ้าจะทิ้งยังไงข้าไปเจ้าจะต้องตายในวันนี้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 เพราะตอนนี้แกะเท่านั้นก็ไปปีนป่ายขึ้นไปไปเห็นพลานหินแล้วก็ก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วก็มีเถาวันมันมาคุมก้อนหินแกะก็เลยปีนขึ้นไปไปกินเถาวันคือเขาเถาวันอพอมืดมีเมฆฝนมาทั้งบนฟ้านะอพอมีเมฆมาเท่านั้นน่ะฟ้าผ่าเป้งลงไปตัดคอแกะเท่า น, นั้นเลยขาดเลย แก่ต้นนั้นก็เลยตายพอตายเจ้าเล็กเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ที่ต้นไม้บริเวณนั้นแสดงตนให้ปรากฏออกมาบนอากาศบอกว่านี่นะกรรมทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าทำกรรมเนะ้อทำเป็นการฆ่ากันถึงขนาดฆ่าสัตว์เฉยๆก็ยังบาปกรรมถึงขนาดนี้ถ้าฆ่ามนุษย์นะ่ะฆ่ามนุษย์ด้วยกัน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 เพราะว่าสมัยนั้นบ้านห้อยทรายเป็นบ้านอยู่ป่ารงพงไพ่โดยมากมีแต่พีงานขึ้นมาแล้วก็ล้ ม, มวัวล้มควายเลี้ยงเป็นอาหารเลี้ยงคนแล้วจากนั้นก็กินเหล้าเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยากันหลวงู่อจามท่านเห็นแล้วท่านบอกเออถ้าเรางานกะถินขึ้นมาไม่มีอาหารชุ้เจ้าก็จะต้องฆ่าวัวฆ่าควายมาในงานกะถินของเราเพราะฉะนั้นกะถินของเราไม่มีเราจะไม่มีงานกะถิน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 ไม่เคยมีจริงๆวันนั้นมีแต่เมื่ออายุทันร้อยปีเนี่ยนะร้อยปีกับบ้านเมืองก็เจริญแล้ว เ, เนี้เอ่อเอาของอาหารร้านอาหารก็มาจากตลาดมาจากในเมืองได้หลวงพ่อเนี่เออทุกร้านทุกคนน่ะจุดประสงค์ของหลวงอาหลวงปู่หลวงตาของเราเนี่ยท่านว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้กินเหล้าเพราะนั่นวันนี้บ้านเมืองขอ ง, ของเราก็เจริญมากแล้ว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 เขากรับทุกคนเออเอารับเอาทำบุญโอ้ปีนั้นน่ะสองปีให้หลังรู้สึกว่ามืฟามดฟ้ามัวดินเลยคนมาในงานในงานของหลวงปู่นะเพราะท่านไม่เคยจัดมาก่อนเลยนี่แหละเหตุนี่แหละคือที่หลวงพ่อได้กล่าวมาเข้ากันได้ในพระใจปิฎกที่ว่าท่านไม่ให้ทำบุญทำทานอย่าไปหาคิด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 มันก็เป็นบาปเป็น อ, อกุศลสําหรับผู้ที่วายชนไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะขอฝากไว้กับพวกขษษษัศรัตธาญาตโยมลูกหลานทุกคนที่อยากคิดจะทําบุญอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอะไรเท่าไหร่ก็เท่านั้น่ะคือเจตนาของเราเป็นหลักนะเจตนาของเราเป็นหลักใจเรามีความมุ่งมันมีความตั้งใจอยากจะทําบุญทํากุศลเออ ให้แก่บรรพชนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอาหารอะไรก็เท่าที่มีนะั่นะหละพวกผักๆ ย, ายา้าญๆเลี้ยงน้ำก่เลี้ยงน่ะแป๊บสี่โค่ละน้ําแข็กงกาแฟไปเหล้ายาอะไรของงดงดเว้นเออันนี้คือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุพก า, ารีบุคคลผู้มีอุปการะตัวทําบุญให้วงศาคณ า, าญาติของเราเให้พวกเรา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 อย่างที่ตัวเองอยากจะทําแต่เมื่อทําอย่างนั้นบางทีมันอาจจะผิดพลาดได้เหมือนกันนะเพราะนั้นการทำบุญทําทานการจะสร้างคุณงามความดีการจะภาวนาก็เหมือนกันการจะภาวนาภาวนาเนใี่ยได้ภาวนาเนี่ถูกต้องเอแต่ภาวนาเข้าไปเป็นบ้าก็มีนะทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ถามไทยพอภาวนาเข้าไปแล้วก็หลงผิดใช่ไหม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 น, นสิ่งเหล่านี้ขนาดภาวนาแท้ๆก็ยังมีผิดมีถูกนะเพราะสิ่งอย่างอื่นมันก็ต้องมีเหมือนกันให้ทานยังไงถึงจะถูกต้องให้ทานยังไงจึงจะผิดมันผิดรักษาศีลยังไงศีลจึงจะบริสุทธิ์ศีลไม่ด่างไม่พร้อยอย่างนี้ภาวนายังไงจึงจะถูกต้องสรุปแล้วก็คือต้องได้รับการศึกษาทางนั้นถ้าเราไม่ได้รับการศึกษามันผิดพลาดได้นะ น, นี่ก็ขอฝากไปกับพวกเราทุกๆท่านนะตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะานุโมธนาให้พร